วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3กันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อหาคำตอบของปิิศนาธรรม ที่ถามว่าพวกเรามาเกิดกันได้อย่างไรอะไรทำให้พวกเรามาเกิดกันแล้วเมื่อเราได้มาเกิดแล้วเราควรจะทำอะไรอย่างไรกับชีวิตของเรานี่คือคำถามคำถามที่เป็นคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้กัน อยากจะทราบกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากต่อการเข้าถึงได้รู้ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้จะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่ได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองอย่างสูงสุดแต่ถ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันและเมื่อพวกเราได้มาเกิดแล้วพวกเราควรจะทำอย่างไร กับชีวิตของพวกเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงอันสูงสุดแก่ตัวเราเองและแก่ผู้อื่นตามลำดับต่อไปคำตอบที่เป็นปริศนาว่าพวกเรามาเกิดกันได้อย่างไรนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีคำตอบว่าสิ่งที่พาให้พวกเรามาเกิดกันนี้ ก็คือตัณหาความอยากความอยากนี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันการมาตัณหาความอยากหาความสุขจากการเสพกามคุณทั้งห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผัพพะการมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผัพพะก็จะพาให้พวกเรามาเกิด มามีร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย <_ an> เพื่อที่เราจะได้ตอบสนองตันหาความอยากของใจของพวกเราที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นสรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ <_ an> นี่เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันเมื่อมาเกิดแล้วเราก็จะมาหาความสุข จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆเหตุที่สองที่พาให้พวกเรามาเกิดกันก็คือความอยากเสพอรคุความอยากเสพความสงบของรูปฌปานคือสมาธิท่านรูปฌปานผู้ที่ได้มาเกิดได้ร่างกายของมนุษย์แล้วมักจะเป็น คนที่ชอบอยู่แบบโสดไม่มีครอบครัวไม่มีคู่ครองราะไม่สนใจไม่ชอบการเสพกรามไม่ชอบการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผพิต ภ, ภัณฑ์นกนี้ชอบไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิเพื่อเข้าเข้าเข้าสมาธิขั้นรูปฌปานกัน ตรงนี้มักจะไปเป็นนักบวชกันถ้าไม่ได้เป็นนักบวชก็จะอยู่แบบโสดจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายจะไม่สนใจกับเรื่องของความสวยความงามของทางร่างกายของการสวมใส่เสื้อผ้าอภร์ชนิดต่างๆนี่ก็คือพวกเหตุที่พาให้ ให้มาเกิดพวกนี้เมื่อได้มาเกิดน้วมากจะไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันเหตุที่สามที่พาให้มาเกิดกันก็คือความอยากในอรูปฌปานอันนี้ก็เป็นความอยากแบบเดียวกับความอยากในรูปฌปานต่างกันตรงที่อรูปฌปานนี้มีความสงบนึกกวา่า มากกว่ามีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้จากรูปประชานพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกที่มาเกิดแล้วมาหาความสงบจากการฝึกสมาธิแ ต, แต่แทนที่จะเข้าสมาธิขั้นรูปประชานก็จะเข้าสมาธิขั้นอรูปประชาเป็นความสงบความสุขที่สูงสุดที่จะพึงหาได้ในใจพวกนี้ กายพบก็คือพบที่พวกเรามาอยู่กันพวกหนึ่งก็พวกที่เสพกามก็จะมาอยู่ในกา ม, มาพบพวกที่เสรปปรรร พ, ร, ร, พ, พเสรูประชานก็จะไปอยู่ในอรูปภพในรูปภพและพวกที่เสเปรูประชานก็จะไปอยู่ในอรูปภพ เวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่มีร่างกายของมนุษย์เมื่อมาเกิดแล้วได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะไปหาความสุขตามที่ชอบกันพวกที่ชอบเสพกามก็จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆพวกที่ชอบความสุขจากความสงบ ก็จะไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆเข้าขั้นรูปฌปานหรือเข้าขั้นอรูปฌปาน<ม>แล้วพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป<ม>พวกที่เสพตา ม, มก็จะมีไปสองทางด้วยกัน ถ้าระหว่างที่เป็นมนุษย์แล้วระหว่างที่เสพกา ร, ร<ม>ถ้าหาหาวิธีการเสพกา ร, รด้วยการไม่ทำบาปค<ม>ือรักษาสิลห้าแล้วก็หาความสุขจากการแบ่งปัน<ม>ช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ<ม>คือทำบุญทำทาน พวกนี้เวลาตายไปก็จะไปอยู่ในสวรรค์เรียกว่าสุขคติ mm hmm. เป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณของผู้ที่เสพกลามแต่เสพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น mm hmm. ือรักษาศีลห้า mm hmm. ได้ mm hmm. ไม่ทำบาปทำกรรม mm hmm. เพื่อที่จะได้หาเงินหาทอง มาใช้ในการเสรกกลามจะหาเงินหาทองด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วถ้ามีเงินทองมากพอที่จะแบ่งให้ผู้อื่นได้ก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นไปคือได้ทําบุญทําทานได้รักษาศีลห้าตรงนี้เวลาตายไปดวงวิญ ญ, ญาณก็จะไปเป็นเทพ ไป อ, อยู่สวรรค์ชั้นเทพแต่ก็ยังอยู่ในการรมะพกรรมภกามะพภนี้มีมีแบ่งไว้สองซีกด้วยกันซีกสุขคติและซีกทุกคติซีกสุขคติก็คือซีกของของเทพนีแล้วก็ซีก ข, ของทุกคติก็เป็นซีก ข, ของเดรัจฉานเปรตอสู ร, รกายนาั่นแหะครับ ส่วนส่วนที่อยู่ระหว่างสุขติกับทุกขติก็คือภพของมนุษย์นี่คือภพ ท, ที่เรียกว่าการมาภพเพราะว่าเป็นภพของผู้ที่เสพกามยินดีชอบหาความสุขจากการเสพกามกันเสพรูปเสียงกลิ่นล่ชอบดูมหรสพบันเทิงต่างๆ ชอบฟังเสียงเพลงเสียงอะไรที่สวยช่วยงานที่ฟังแล้วชื่นอกชื่นใจมีความสุขชอบกินชอบดืม่มหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ <c oughs> นี่เรียกว่าการมาสุขเกิดจากการมาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกิ่น่าเพื่อจะได้การมาสุข แต่พวกนี้ในในพวกพวกนี้ก็มีแบ่งไว้สองพวกพวกที่หาเงินหาทองเพื่อมาเสพ ร, รูปเสียงกิรถนี้หาเงินทองด้วยวิธีสุดจริหคือไม่ทำผิดศีลผิดธรรมไม่ทำบาปไม่ทำผิดกฎหมายแล้วถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ พอที่จะแบ่งให้ผู้อื่นได้ก็จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่นอาจจะให้กับผู้ที่มีพระคุณก่อนมิดามานดาครูบาอาจารย์ปุยญาตายายหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่เรามีความตัดทามีความเคารพนับถือหรือบอยจากให้กับองค์กรการกุศลต่างๆบรยจากทรัพย์ให้โรงพยาบาลให้โรงเรียน เหลนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญทาทานแบ่งปันทรัพย์สมบัติที่มีเหลือกินเหลือใช้ให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนเดือดร้อนไปการได้ก็ทำบุญทาทานและการได้รักษาสิ่นี้จะทำให้จิตใจที่หลังจากร่างกายตายไปแล้วนี้เป็นดวงวิญญาณที่จะไปอยู่ในสุคติอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ มีสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะบุญที่ทํานี้มีมากมีน้อยต่างกันทําบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงมีความสุขมากถ้าทําบุญน้อยก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างที่มีความสุขน้อยกว่าแล้วก็จะอยู่ในสภาพนั้นไปจนกว่าบุญที่ส่งให้ไปเกิดในสุคตินี้ หมดกำลังลงเมื่อหมดกำลังลงก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ร่างกายของมนุษย์อันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์ในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปอีกรอบหนึ่งส่วนในทางตรงข้ามสาหรับพวกที่เสพกลางแต่หาเงินหาทองโดยวิธี ทุจริตประพฤติมิชอบคอร์รัปชันหรือผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายลักเล็กขโมยน้อยชอบโกงหลอกลวงหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือประพฤติผิดประเพณีพวกนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณจะต้องไปอยู่ในซีก ข, ของทุกขติคือซีกที่เรียกว่าอบายสีส อบายสี่ได้แก่การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียก่็เปรต ด, ดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสุลกายและดวงวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลยดก็จะเป็นนรกพวกนี้ก็จะอยู่ในสภาพเหล่านี้ไปจนกว่า บาปที่ทําไว้นั้นหมดกําลังลงก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาเสพกามใหม่มาหาเงินหาทองใหม่ก็มักจะหาแบบเดิมเคยหาเงินทองแบบทุจริตก็จะกลับมาหาเงินทองแบบทุจริตพวกนี้มักจะไม่ชอบทําบุญทําทานเพราะพวกนี้เสียดายเงินเสียดายทอง หาเงินได้มานี่ก็อยากจะเอามาใช้สําหรับตัวเองเท่านั้นจะไม่แบ่งปันให้กับใครพวกนี้จะไม่ได้ทําบุญกันจึงไม่ได้ไปสวรรค์กันเวลาตายไปก็จะไปอบายส่วนพวกที่ลงมาจากสวรรค์นี้ก็จะกลับมาหาเงินหาทองด้วยวิธีสุจริญแล้วก็เอาเงินทองที่ได้มาไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลสพ้าต่างๆถ้ามีเงินมากมีเงินเหลือเฟือก็จะแบ่งให้ผู้อื่นบ้างพวกนี้ก็จะเป็นพวกเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ลงมาจากที่สูงแล้วก็กลับมาทำกิจที่เคยทำอยู่เคยทำมาหากินแบบซื่อสัตย์สุจริตก็จะ ละมะก็จะทำมาหากินแบบซื่อสัตว์สุจริตต่อไปแล้วส่วนพวกที่เสพรูปประชานหรือรูปประชานนี้เวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นนักบวชกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยอยู่แบบนักบวชจะเป็นโสดจะไม่มีคู่ครองเพราะไม่ชอบหาความสุขจากการเสพการ พอรู้ว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามนี้เป็นความสุขที่ต่ํากว่าหยาบกว่าน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการเข้ารูปฌานหรือเข้าอารูปฌานโลกนี้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะมาเป็นนักบวชกันเป็นส่วนใหญ่หรืออยู่แบบนักบวชอยู่แบบโสไม่มีคู่ครอง หาความสุขจากการทำใจให้สงบถ้าได้รูปฌปานก็ก็จะได้สวรรค์รูปฌปานถ้าได้ความสงบระดับ อ, อรูปฌปานก็จะได้สวรรค์ระดับอรูปฌปานพวกนี้เวลาตายไปพวกนี้ก็จะเป็นแบบรักษาศีลแปดขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่เป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวช ถ้าไม่ได้บวชก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศีลแปด ก, กันไม่เสพการไม่หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิกกกกก่นรสโผฏฐัพพะจะหาความสุขจากการเข้าสมาธิกันตรงนี้เวลาตายไปถ้าได้รูปประชานก็จะไปอยู่ในรูปภพรูปภพก็เป็นที่อยู่ของรูปประพมเป็น เป็นสวรรค์ชั้นพรหมชั้นรู ป, ปรภมสำหรับผู้ที่ได้รูปฌปานสำหรับผู้ที่เข้าถึงขั้นอรูปฌปาน<ม>ก็จะบรรดาร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรู ป, ปรผมอยู่ในอรูปภปพเนี่ยภพนี้มีภพที่สัตว์โลกอยู่กันนี้มีอยู่สามภพด้วยกันการมาพบ รูปภพและอรูปภพเป็นภพที่สัตว์โลกที่ยังตัดความอยากทั้งสามนี้ไม่ได้ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามนี้โลกที่ตัดกามมาภพกามมาตัณหาไม่ได้ก็ต้องมาเกิดในกามมาภพโลกที่ตัด ภาวาตัณหาคือความอยากเสพ ร, รูปฌปานไม่ได้ก็จะมาเกิดในรูปภพแล้วผู้ที่ตัดความอยากการเสพอรูปฌานไม่ได้ก็จะไปเกิดในอรูปภพแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดเวลาเวลาบุญที่ได้ทำไว้ได้หมดกำลังลง สำหรับพวกที่เสพรูปประชาญก็เวลาชาญเสื่อมลงจิตก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำสมาธิใหม่มาเข้าชาญมาเข้าสมาธิแล้วพอตายไปก็จะกลับไปอยู่ที่รูปภพของตนต่อไปนี่คือลักษณะของดวงวิญญาณของสว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ที่เวียนว่ายตายเกิดกันขึ้นๆลงๆอยู่ในตายภพนี้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามีภพหรือมีที่อีกที่หนึ่งที่ดีกว่าตายภพคือพระนิพพานที่ที่ไม่ต้องมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดที่ที่มีความสุขที่สูงสุด สูงยิ่งกว่าความสุขของอรูปภพอันนี้จะไม่มีใครรู้จะไม่มีใครรู้วิธีเข้าพระนิพพานได้ออกจากตายภพเพื่อเข้าสู่พระนิพพานได้ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาพบทางที่พาให้สัตว์โลกหรือดวงวิญญาณของสัตว์โลกนี้ ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตรภพได้อันนี้ก็จะมาถึงคำตอบว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเราควรจะทำอย่างไรถ้าเราอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ที่จะมาสอนมาบอกวิธีให้เราได้ออกจากไตาภพเพื่อเข้าสู่พระนิพพาน พ, พวกเราก็จะทําตามความอยากของเราไปถ้าเราอยากเสพกามเราก็จะเสพกามต่อไปถ้าเราชอบเสพ ร, รูปประชาญเราก็จะไปเสพ ร, รูปประชาญถ้าเราชอบเสพมารูปประชาญเราก็จะไปเสพมารูปประชาญแล้วเราก็จะติดอยู่กับการที่จะต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายของมนุษย์ เวลามีร่างกายของมนุษย์ก็จะต้องเอเจอความทุกข์ของร่างกายของมนุษย์เพราะร่างกายของมนุษย์ก็ต้องมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความตายเป็นธรรมดานอกจากเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็ยังต้องไปเจอกับบุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ปรารถนาจะเจอ เวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องมีการพัดพากสุดจากบุคคลที่เรารักจากเหตุการณ์ที่เราชอบเพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เรียกว่าโลกของไตรลักษณ์โลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราให้เราได้พบกับอะไรที่ดีที่เลิศที่วิเศษ ได้ทรัพย์สมบัติเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในวันใดวันหนึ่งเมื่อชีวิตของเราจบลงเมื่อร่างกายตายไปเราก็ต้องพัดภาคจากของที่เรารักเราชอบไปกองสมบัติใหญ่โตเท่าไหร่มากเพียงใดก็อยู่กับเราได้เพียงชั่วคราวอยู่ชั่วแค่ร่างกายนี้มีอายุอยู่ได้เท่านั้นพอร่างกายนี้สิ้นลมเมื่อไหร่ เราก็จะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอันมหารฐานนี้ไปเช่นเดียวกับการที่เราจะต้องสูญเสียกับยศกับตาแหน่งต่างๆที่เราได้มากันบางท่านก็ได้ยศสูงได้เป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นมหาขัตย์เป็นมหาจาักรพรรดิเป็นอะไรก็ตามมันต้องมีการสิ้นสุดลงเพราะชีวิต คือร่างกายนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดดวงนั่นเองเอชีวิตหมดไปเหลือแต่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็ไม่สามารถเอาทรัพย์ไปกับตนเองได้ไม่สามารถเอายศเอาตําแหน่งไปกับตนเองได้ตอนนั้นก็จะแต่แต่ความสูญเสียเจอกับการพัดผ้าจากสิ่งที่รักที่ชอบ<ม>ก็จะทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นเดียวกับการสูญเสียสรรเสริญคือการได้รับเกียรติยศรางวัลต่างๆได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอจากบุคคลต่าง ๆ, ๆอันนี้ก็จะหมดไปเวลาที่ร่างกายตายไปและการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราที่เราได้เสพได้สัมผัสอันนี้พอไม่มีร่างกายไม่มีตาหูจหมูกนิ้นกายก็จะไม่สามารถที่จะเสพสัมผัส สิงเหล่านี้ได้ต่อไปชงนั้นช่วงที่เราเป็นดวงวิญญาณเราก็จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทิปไม่ใช่เป็นของที่ผ่านทางร่างกายแต่ผ่านทางจิตใจผ่านทางสัญญาอารมณ์ความรู้สึกความจําได้หมายรู้สัญญาอารมณ์นี้ก็จะมาสร้างรูปเสียงกลิ่นรสสร้างรากยศสันต์สุขให้ดวงวิญญาณได้เสก แต่จะได้าลาภยศสารเสริญสุขที่ดีหรือที่ไม่ดีนั้นก็อยู่ที่บุญหุือที่บาปที่ได้ทำไว้นั่นเองถ้าได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปบุญก็จะผลิตาลาภยศสารเสริญสุขที่ดีให้ได้เหตุได้สัมผัสแต่ถ้าบาปนีมากกว่าบุญบาปก็จะสร้างาลาภยศสารเสริญ ส, สุข ที่ไม่ดีให้ได้เสพได้สัมผัสในตอนที่อยู่ในในโลกของดวงวิญญาณนี้ไม่มีร่างกายนี้ก็อาศัยบุญอาศัยบาปนี้เป็นตัวสร้างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะสร้างราบยศสะลรสริมสุขให้เสพ น, นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ สัตว์โลกนวงวิ ญ, ญาณของสัตว์โลกทุกๆตัวที่ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องพบกับการการแก่การเจ็บการตายของร่างกายเวลาที่มาได้มาล่ได้มาเกิดได้มีร่างกายแล้วก็จะวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตายไปก็ไปเป็นดวงวิญญาณไปรับผลบุญผลบาปต่างๆพอผลบุญผลบาปหมดกำลังแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสหรือมาเสพรูปประชานหรือเอารูปประชานกันใหม่พร้อมๆกับการทำบุญหรือทำบาปไปแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่นิสัยของแต่ละท่านแต่ละคน คนที่เคยทำบาป ก, ก็มักจะทำบาปไปต่อคนที่ทำบุญก็จะทำบุญไปต่อนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในช่วงในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าไม่มีการเผยแผ่ธรรมะอันเิฐของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าที่จะมาช่วยเผยแผ่ วิธีการหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้ได้ mm hmm. พวกเราเนี้ถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา mm hmm. มีผู้ที่จะสอนผู้ที่จะบอกทางให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. ดังนั้นคำตอบของชีวิต ว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเราได้ชีวิตนี้แล้วเราควรจะทําอย่างไรกับชีวิตนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเอง mm. ก็คือได้ความสุขที่สูงสุดและได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปให้หลุดพ้นจากความทุกข์คาตอบก็คือเราก็ต้อง ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็จะเอาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดก็ตาม ถ้าตัดสรู้แล้วจะได้คำตอบอันเดียวกันคือทางสู่การหลุดพ้นนี้เป็นทางเดียวไม่มีสองทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตามหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏขึ้นในยุคต่อไปหลังจากที่ยุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้สิ้นสุดลง เมื่อศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้สูญหายไปจากโลกนี้แล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสั้วิธีที่จะทำให้ดูดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อมาตัดสร้แล้วเมื่อม า, มาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สรโลกก็จะสอนเหมือนกันหมด ซึ่งคำสอนนี้ก็มีย่อเป็นสามส่วนด้วยกันข้อส่วนที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทาบาปทั้งปวงข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาที่มีภายในหัวใจ โดยเฉพาะตัณหาทั้งสาคือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เป็นตัวที่คอยฉุดดวงวิญญาณให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆต้องใช้วิธีการชำระจิตใจเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะกำจัดตัณหาทั้งสามนี้ได้ส่วนการละการกระทำบาปก็เพื่อจะได้ ดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปและการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจในช่วงที่ยังไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยการทำบุญทำกุศลต่างๆไปพางก่อนเพื่อให้จิตใจได้มีความสุขไม่มีความหิวโหยกับการที่จะไปเสพ การรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิตต่างๆการที่จะไปหาความสุขจากการเสพกามก็ให้ไปหาความสุขจากการทำบุญทำกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำกุศลในรูปแบบไหนก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมความความพร้อมของผู้ที่จะกระทำ แทนที่จะไปหาความสุขจากการเสพกามรูปเสียงกิเลสก็ให้เปลี่ยนวิธีจากการเสพการ ม, มามาหาความสุขจากการทําบุญทำํำกุศลในรูปแบบต่างๆเช่นทําทานทําบุญทําทานแบ่งปันเข้าของเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใชน้นี้ให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือให้กับผู้ที่มีพระคุณ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือพระพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเถ้าเราสามารถตอบแทนบุญคุณให้กับท่านได้ก็จะทําให้เรามีความสุขใจมีความสุขมากกว่าการที่เราเอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ซึ่งเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขแบบควันไฟไม่เหมือนกับความสุขที่ได้เกิดจากการทําบุญทําทานได้ช่วยเหลือผู้นี้เป็นความสุขที่อยู่กับใจไปนานและเป็นความสุขที่จะพาให้ใจได้ยกระดับขึ้นจากความเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาต่อไปเวลาที่ร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้ายังไม่ได้ออกจากกามาพ ก็จะก็จะเวียนว่ายตายเกิดในซีกของสุคติซีกของเทวดาจากเทวดาก็มาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญทำทานมารักษาศีลแล้วก็ตายไปก็กลับไปเป็นเทวดาใหม่นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันเมื่อเรามีชีวิตนี้แล้วเราควรจะทำอย่างไรเพให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เราก็ต้องทำสามข้อนี้เพราะว่าถ้าเราทำสามข้อนี้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปอยู่กันก็คือพระนิพพานจะเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ได้สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ระดับอรูปฌาน ในใตน้ภพนี้สวรรค์ในระดับอรูปฌานหรืออรูปภพนี้เป็นสวรรค์ที่สูงสุดแต่เป็นสวรรค์แบบชั่วคราวเป็นสวรรค์ที่เสื่อมได้เวลาที่อรูปฌานหมดเสื่อมลงเวลาที่สมาธิเสื่อมลงจิตที่อยู่ในอรูปภพก็จะเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ม่แต่ถ้าได้ไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานแล้วนี้ จะไม่มีวันเสือ่อมจะอยู่บนสวรรค์ชั้นที่พันไปตลอดจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปเพราะเหตุที่ดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นได้ถูกกําจัดอย่างหมดสิ้นแล้วด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาหึ่งที่เรียกว่าการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจสกปรกหรือไม่สะอาดด้วย กามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาพอใช้การบำเพ็ญจิตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาจนสำเร็จแล้วจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาทั้งสามปราศจากกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาทั้งสามแล้วนี้ก็จะไม่มีตัวที่จะมาดึงให้ จ็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปก็จะเรียกว่าอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดอยู่สวรรค์ชั้นนิพพานที่เป็นมาลมมาสุขราลังสุขขงังเพราะเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดถ้าอยากจะเปรียบเทียบความสุขของมนิพพานกับความสุขแบบอื่นนี้ ก็ลองคิดดูว่าถ้าเรามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด <Yeah. S 1> กับการที่มีเงินทองแบบไม่แน่นอนมีบ้างไม่มีบ้างขาดขาดเกินๆ <Yeah. S 1> แบบไหนจะดีกว่ากันมีความสุขแบบมีเงินทองใช้ไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดหรือมีความสุขกับเงินทองที่ใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็หมด <Yeah. S 1> หมดแล้วก็ต้องดิ น, นหาใหม่ <Yeah. S 1> ความสุขแบบไหนจะดีกว่า ก็ต้องเอาแบบที่มีเงินทองใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหม ด, หมดอยากจะกินอยากจะใช้อยากจะซื้ออะไรก็สามารถมีเงินทองซื้อได้ไปตลอดชีวิตต่างกับมีเงินทองแบบไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีอย่างนี้ก็เวลามีก็มีความสุขแต่เวลาไม่มีมันก็จะทำให้มีความทุกข์ฉันได้ความสุข ที่ได้จากใจพบจากกา ร, รมาพบรูมาพบอารูมาพบก็เป็นแบบชั่วคราวได้แล้วก็เสียได้แล้วก็หมดไปเวลาได้ก็มีความสุขเวลาหมดไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นแบบไม่มีวันหมดมีเท่าไหร่ก็มีอย่างนั้นไปเรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่แสนล้านปีก็ตาม ความสุขของพระนิพพานก็ยังอยู่ต่อไปพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่ได้มาตัดสั้นู้ได้เข้าถึงพระนิพพานอันนี้จิตของท่านก็จะเป็นนิพพานอย่างนี้ไปอย่างตลอดจึงไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะพาให้ท่านต้องมาเติมหาความสุขในตายภพเพราะจิตของท่านนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขมรมมสุขแต่จิตของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพหนีนี้ เป็นจิต ท, ที่มีความสุขที่จเจริญแล้วไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็จะเสื่อมลงพอเสื่อมลงก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาเติมใหม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นได้ความสุขระดับเทวดาพอความสุขในระดับเทวดาหมดไปก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาทําบุญทําทานมารักษาสีใหม่ถึงจะกลับไปเป็นเทวดาได้ใหม่ ความสุขที่ได้จากรูปฌปานอารูปฌานก็เช่นเดียวกันเวลาไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพมันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วพอกำลังของรูปฌานหรืออรูปฌานเสื่อมลงไปก็จะต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่พอมีมาพอมามีร่างกายก็ต้องจะมาต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายทุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยเวลาเกิดมานี้ก็ต้องทุกข์แล้วเพราะว่าต้องหายใจเอง ต้องต้องกินเองต้องดื่มเองถ้ายังหากินหาดื่มไม่ได้ก็ต้องอาศัยความเมตตาของพ่อแม่คอยเลี้ยงดูไปก่อนถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะอดตายไปแต่าถ้ามีพ่อแม่ที่เมตตาก็จะเลี้ยงดูไปจนกว่าตัวเองจะช่วยตัวเองได้จะเลี้ยงดูตัวเองได้ก็จะต้องไปทุกขกับการหากินหาอยู่ต้องไปหาเงินหาทองมา เพราะว่าจําเป็นจะต้องซื้อของจําเป็นในการดํารงชีพนี่คือปัจจัยสี่ต้องดิ้นรนหาเงินมาเพื่อซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยการกระทําเหล่า น, นี้ไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ไม่มีใครอยากจะทํางานกันแต่รู้ว่าถ้าไม่ทํางานแล้วจะอดตายกันก็เลยจาเป็นจะต้องอดทนทํากันไป แล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ทำงานไปเรื่อยๆหรือไม่วันดีคืนดีอาจจะต้องถูกพักงานออกจากงานก็ได้หรือวันดีคืนดีร่างกายอาจจะไม่สมประกอบร่างกายอาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ น, นโรคภัยไข้ขเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือพิกลพิการไปตอนนั้นก็จะเจอกับความทุกข์ของการมาเกิดว่ามันเป็นอย่างไรกันหรือถ้าดาเนินชีวิตไปได้อย่าง แควค่าปลอดภัยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็ต้องไปเจอความแก่ในที่สุดพอร่างกายแก่มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาที่จะทำอะไรได้อย่างที่เคยทำแล้วอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆก็จะทวีคูณขึ้นไปตามลำดับตามสภาพของความแก่ของความชรลาของร่างกายแล้วก็จะต้องไปเจอโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆกันเมื่อช้าก็เร็ว แล้วที่สุดก็จะต้องไปเจอความตายกัน<ฮ>เหตุการณ์เหล่า น, นี้มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ให้ความสุขกับใจมันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี่คือผลที่ไดจากการมาเกิดกันพราะเราถึงควรที่จะเห็นโทษของการมาเกิดกันว่ามันมันไม่ใช่เป็นการมาหาความสุขมันมันเป็นการมาหาความทุกข์กันมากกว่า ความสุขที่ได้จากการเกิดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์แล้วมันเหมือนกับฟ้ากับดินได้ความสุขได้เพียงนิดหน่อยเ ด, ยเดียวเดียวแต่ความทุกข์นี่มันอยู่กับอยู่กับร่างกายไปเป็นเวลาอันยาวนาน น, นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณาการคิดกันอยู่บ่อย ดามที่พู้เจ้าส่งสอนให้เราหมั่นเราลึกถึงอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดแล้วนี้เราจะต้องเจอความแก่ร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราจะต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราจะต้องเจอความตายร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปร่วงพ้นไปไม่ได้ เราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ไม่ปรารถนากันล่วงพ้นไปไม่ได้นี่คือผลที่จะเกิดเวลาที่เรามาเกิดกันและเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากทั้งสามนอย่าง ใ, ใดอย่างหนึ่งพวกที่อยากจะเสพกามก็ต้องมาเกิดแล้วมามีร่างกายมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกที่อยากจะเสพรูปประชานรู้อล้วประชาน ก็ต้องมาเกิดมามีร่างกายเพื่อที่จะได้ไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตทําใจให้สงบดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเนี่ยเราต้องตัดตัญหาเหล่านี้ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเรามีกามาตัญหาเราก็ต้องตัดกามาตัญหาถ้าเรามีภาวะตัญหาเราก็ต้องตัดภาวะตัญหาถ้าเรามีวิภาวะตัญหาเราก็ต้องตัดวิภาวะัญหาไป และวิธีที่จะตัดได้ก็ต้องอาศัยการการชำระใจด้วยวิธีการภาวนาเรียกว่าจิตตะภาวนาก่อนที่เราจะมาปฏิบัติจิตตะภาวนาได้เราต้องทำสองข้อแรกให้ได้ก่อนคือเราต้องละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงให้ได้ก่อนเพราะถ้าเรายังทาบาปอยู่นี้ มันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะไปบําเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองเราต้องละเวน้นการกระทําบาปต้องรักษาศินศินห้าในเบื้องต้นให้ได้ก่อนและเมื่อรักษาศินห้าได้แล้วขั้นต่อไปถ้าเวลาเราจะมาภาวนาเราก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปเพราะการที่เราจะละการมาตัญหาได้นี้เราต้องมีอาศัย การเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้รูปประชานหรืออารูปประชานก่อนพวกที่เสดกามนี้จะไม่มีรูปประชานหรืออารูปประชานจะต้องมาเจริญสมถะภาวนาก่อนเพื่อให้ได้รูปประชานหรืออารูปประชานเพราะเมื่อได้รูปประชานหรืออารูปประชานแล้วจิตก็จะมีความสุขาการมีรูปประชานหรืออารูปประชาน เมื่อมีความสุขจากเอาลูก ป, ประชานหรือเอาูก ป, ประชานแล้วก็จะทําให้หยุดความอยากในการเสพกามได้ง่ายถ้าพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าการเสพกามนี้จะเป็นเหตุที่จะดึงให้จิตใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในกามมาพบก็ให้เราละความอยากทุกครั้งที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องให้หยุดมัน ถ้าเรามีกําลังของฌานเราก็จะหยุดได้ทุกครั้งที่เราอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เข้าสมาธิไปแทนเนือหยุดการเสกกามอยู่เฉยๆไม่ต้องเสกกรรมเพราะว่าเรามีกําลังที่จะดึงใจให้ไปอยู่กับความสงบให้มีความสุขจากความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าการเตะที่มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสกกรรม ใ น, ในเบื้องต้นถ้าเรายัางไม่มีรูปปัานหรืออารูปปัชานเรายัางเสกกามอยู่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปเจริญส ม, มะถะภาวนาการเจริญส ม, มะถะภาวนาก็คือการไปเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบของรูปประชานหรืออารูปปัจาน ถ้าได้ความสงบได้รูปฌปานหรือรูปฌปานแล้วจิตจะมีความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพ้าก็จะทำให้เลิกเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้อย่างง่ายดายเหมือนกับเวลาที่เรามีรถคันใหม่ที่ดีกว่ารถคันเก่าเราขับรถคันเก่ามาหลายปีแล้วแล้วมันก็มีปัญหาอยู่เรื่อย ขับไปแล้วเดี๋ยวก็เสียบ้างเดี๋ยวก็ต้องจอดบ้างเดี๋ยวก็ต้องเข้าอูกซ่อมบ้างพอเราได้รถคันใหม่ที่ดีกว่ารถคันเก่าทุกประการวิ่งก็เร็วกว่าเก่านั่งก็สบายกว่าเก่าปัญหาก็ไม่มีพอเราได้รถคันใหม่แล้วเราก็ไม่อยากจะเก็บรถคันเก่าเอาไว้ให้เป็นภาระเปล่าๆคนที่ได้ความสุขจากรูประชานแล้วหรือได้ความสุขจากรูประชานแล้ว ก็จะสามารถละความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิก่นรดได้การเสบกามาคุณห้าได้แต่ถ้ายังไม่ดียังไม่ได้รูปประชา ห, หรือรูปประชานี้จะให้เลิกเสบรูปเสียงกลิ่นรถนี้จะเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกับคนที่มีรถเก่าแต่ยังไม่ไม่ได้ซื้อรถใหม่ยังไม่ได้รถใหม่มาเพราะยังไม่มีกําลังที่จะซื้อรถใหม่มามาขับได้ก็ต้องทนใช้รถเก่าไปก่อน ก็ดีกว่าไม่มีรถเลยถ้าไม่มีรถก็ต้องเดินหรือต้องใช้แท็กซี่หรือขึ้นรถสาธารณะต่างๆซึ่งอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนกับการมีรถของตนเองดังนั้นก็จะไม่คนที่มีรถเก่ายังไม่ได้มีรถใหม่นี้ก็จะยากที่จะให้สละรถเก่าทิ้งไปแล้วให้เดินหรือให้ใช้รถสาธารณะแต่ถ้าได้รถใหม่มาเมื่อไหร่แล้วนี้รถเก่าก็จะไม่มีความหมายต่อไป ยินดีที่จะขายทิ้งไปหรือยกให้คนอื่นไปซูใช้รถใหม่ดีกว่าสบายกว่าคล่องแคล่วว่องไวกว่ามั่นคงกว่าอันนี้ก็แบบเดียวกันการที่เราจะละกามตัญหาได้นี้เราต้องมีความสุขในรูปแบบของรูปฌานหรืออรูปฌานมาทดแทนก่อนถ้าเรายัางไม่มี เราจะเราจะเลิกยากเลิกเศษลูกเสียงกลิ่นเลิกปวดทพะยากดังนั้นสำหรับผู้ที่มีกามาทันหามีความอยากที่จะเศษกามและต้องการที่จะเลิกการเศษกามนี้ก็จาเป็นที่จะต้องไปฝึกจิตจิตตะภาวนาในระดับสมถภาวนาคือทำจิตใจให้สงบให้นิ่งด้วยสติ การที่จะไปทำจิตใจให้นิ่งให้สงบด้วยสตินี้ก็จาเป็นที่จะต้องอถือศีลแปดขึ้นไปเพื่อที่จะได้ระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่กินอาหารมากไม่กินอาหารตามความอยากกินเพื่ออยู่กินให้ร่างกายอยู่กินแค่มื้อสองมือ้อแล้วก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไป เราก็ไม่ไม่หาความสุขจากการดูมหรสลพ บ, บันเทิงต่างๆการร้องรํำทำเพลงการไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือการหรือการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยการทำเเผาทำผมใช้น้ำหอมน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องยกเลิกไปเพราะมันเป็นความสุขทางกามทางตาหูจมูกนิอกา เสียเวลาจะทําให้เสียเวลาจะทําให้ไม่มีเวลามาจเจริญสมถาภาวนาเพื่อให้จิตใจเข้าสู่รูปฌานหรืออรูปฌานได้ mm hmm. แล้วก็ต้องไม่นอนมากเกินไปนอนเพียงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องนอนบนที่นอนที่ไม่สบายนอนนอนที่ที่นอนที่เป็นพื้นแข็งแข็งปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อนอนกับพื้นก็ได้ ไปนอนกับเตียงที่ไม่มีไม่มีฟูกก็ได้อย่าไปนอนบนเตียงสําราญที่มีฟูกหนาๆที่สุขที่สบายเพราะมันจะทําให้นอนมากกว่าความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนคืนสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงสบายพอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วใจยังไม่อยากจะลุกเพราะอยากจะนอนต่อเพราะมีความสุขจากการนอนบนฟูกนั้นนาๆ ก็จะทำให้นอนยาวไปเสียเวลาของการเอามาภาวนามาทำจิตใจให้สงบอันนี้คือสินแปดมีหน้าที่คอยกาจัดการสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไก่ถ้าไม่ถือสินแปดเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลามาภาวนาเพราะจะเอาเวลาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ เช่นถ้าถือศีลห้านี้ก็ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ยังเสริมสวยความงามได้ยังกินอาหารได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการกินกี่มื้อก็ได้กินเวลาไหนก็ได้ศีลห้าไม่หา้ามจะนอนมันฟุูกหนาๆเตียงสบายก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความสุขแบบนี้มันจะเป็นเป็นความสุขของกลามาสุข มันจะมันจะปิดกัน้นการที่เราจะไปสร้างความสุขที่ได้จากรูปประจานหรืออรูปประจานขึ้นมาดัางนั้นถ้าเราต้องการที่จะละ ก, กามาสุขเนี่ยเราต้องกล้าที่จะรักษาสีแปดเราต้องเห็นโทษของการเสกการมว่ามันเป็นมันเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่ไม่ยังย่งยืนถาวรไม่แน่นอนเวลาที่มีอุปสรรคก็จะทําให้เราเสกไม่ได้เวลาร่างกายไม่สมประกอบ หรือเวลาสิ่งที่เราอยากเสพไม่สามารถหามาเสพได้มันก็จะทําให้ใจเราเศรา้าทําให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราว้าเหวิดูดเหย็ดลาคาญใจสู้หมหาความสุขจากการเข้ารูปฌ า, านหรืออรูปฌ า, านดีกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพียงแต่การใช้สติฝึกสติควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้เท่านั้นเอง ถ้าเรามีสติมีกำลังมากที่จะหยุดความคิดได้จิตเราก็จะนิ่งสงบเป็นรูปปัจานรูปเป็นอรูปปะชานขึ้นมาพอเราได้รูปปัจานหรือเราได้รูอรูปปัจานแล้วเราก็จะเจอกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของของรูปเสียงกลิ่นรสผดภพนัตสันติพลังสุขขงังสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มี ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะนี้ไม่เหนือกว่าความสุขของความสงบผู้ใดที่ได้ความสุขจากความสงบแล้วก็จะยินดีที่จะเลิกการหาความสุขจากรูปเสียงก ล, ลิ่นรสโผฏฐพานี้เป็นวิธีของการที่เราจะเลิกเสกกามกันด้วยการสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขความสุขจากรูปประชานหรืออรูปประชาน ส่วนพวกที่ได้รูปประชานแล้วได้ละกามสุขแล้วแต่มาติดความสุขของรูปประชานารูปประชานอันนี้ก็จะต้องเจริญขั้นต่อไปที่เรียกว่าวิปัสนาทวนาคือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขแบบไหนก็ตามความสุขจากกามกามคุณห้รูปเสียงกินลด ความสุขจากรูปประชานหรือความสุขจากอารูปประชานี้ล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวแม้ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีแม้ว่าความสุขจากรูปประชานก็ดีหรืออารูปประชานก็ดีมันก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่ ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องคอยเติมมันใหม่เติมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเจอปัญหาไม่สามารถเติมได้ก็จะเจอความทุกข์ตามมากันทีให้เห็นพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงและเป็นของที่เราสั่งการไม่ได้เสมอไปสั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมถึงเวลามันจะหมดมันก็หมด ถ้รารอยากจะได้ใหม่เราก็ต้องทําใหม่ขึ้นมาต้องหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพใหม่ต้องเข้ารูปประชานใหม่ต้องเข้าอารูปประชานใหม่นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะละตัณหาทั้งสามอย่างถาวรต้องเห็นว่าสิ่งที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสหรือความสุขที่ได้จากรูปประชานหรืออารูปประชานนี้ มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เราควบคุมบังคับสั่งมันให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้เวลามันจากเราไปเวลามันเสื่อมไปมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ไปอาศัยความสุขเหล่านี้หยุดเสพการมากามคุณห้าหยุดเสพรูปประชานหยุดเสพอารูปประชานพอเราหยุดเสพได้ ใจของเราก็จะกลับเป็นใจที่ที่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่ได้เสพกามคุณ5ไม่ได้เสพรูก ป, ประชานหรือไม่ได้เสพอาลูก ป, ประชานพอใจไม่มีความทุกข์จากการไม่ได้เสพสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดใจได้เกิดใจได้ถึงภาวะที่บริสุทธิ์แล้ว ใจที่บริสุทธิ์นี้แหละจะเป็นใจที่ให้ความสุขตับใจเองอย่างอย่างแท้จริงและอย่างถาวรเพราะความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่มีอยู่ในใจนี้ถูกความอยากมันคอยปิดกั้นเอาไว้เกิดถูกความอยากในการเสพการ์มตันหาภาวะทันหามีภ า, มม า, าะวะทัน ห, หานี้คอยปิดกั้นความสุขความสงบของใจพอตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ใจก็จะเป็นใจที่สงบนิ่งไปตลอดไม่มีความหิวโหยไม่มีความอยากได้อะไรใจที่ไม่หิวนี่แหละเป็นใจที่มีความสุขตราบใดที่ใจยังหิวอยู่ยังอยากอยู่ใจจะหาความสุขไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าถ้าหาความสุขด้วยความอยากต้องหาความสุขด้วยการหยุดความอยากพอไม่มีความอยากแล้วไม่มีความหิวแล้วใจมันก็อิ่มข้มาโดยอัตโนมัติ ความหิวกวับความอิ่มนี้มันอยู่มันอยู่ด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ถ้าหิวก็แสดงว่าไม่อิ่มถ้าอิ่มก็แสดงว่าไม่หิวการที่จะทำให้ใจอิ่มก็ใจก็ต้องไม่หิวไม่อยากการที่จะทำให้ใจไม่หิวไม่อยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่ใจหิวใจอยากให้ความสุขกับใจนี้มันเป็นของมันมันเป็นของทุกเป็นความทุกข ouais. ์มากกว่าเป็นความสุขเพราะมันเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปงั้นอย่าไปอย่าไปอยากได้ความสุขเหล่านี้ดีกว่พอเห็นด้วยปัญญาก็จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เอาไม่มีความอยากของเหลืออยู่ในใจใจก็จะสงบใจก็จะอิ่มของมันโดยอัตโนมัติอิ่มไปตลอดไม่มีความหิวโหยปรากฏขึ้นมาในใจต่อไปใจที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในใจพรม ไม่ต้องมาหาความสุขจากการมาพบไม่ต้องมาหาความสุขจากรูปประพบหรือหาความสุขจากอารูปประพบอีกต่อไปใจก็จะอยู่ที่นิพพานไปตลอดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมาทุกกับการมีร่างกายมีร่างกายแล้วก็ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายการพัดผ่าจากการการเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ นี่แหละคือคำตอบของปริศนาธรรมที่ได้ตั้งไว้ในเบื้องต้นว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไรเรามาเกิดเพราะเรายังมีตัณหาความอยากอยู่ยังมีการมาตัณหาหรือมีภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาก็ยังอยากเสพรูปประชานหรืออยากจะเสพพรูปประชานอยู่แล้วถ้าเมื่อเราได้มาเกิดแล้วเราควรจะทำอย่างไรถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้านี้จะสอนวิธีให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการหยุดความอยากทั้งสามนี้ด้วยการปฏิบัติทำสามข้อที่ทรงสอนไว้ก็คือให้เราละา ก, การกระทำบาปทั้งปวงให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถทําทั้งสามประกาศนี้ได้ครบถ้วนบริสุทธิ์แล้ว เราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ความสุขอันเลิศอันประเสริฐแล้วต่อไปถ้าเรายังไม่ตายหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาความรู้ความสามารถที่เราได้ได้ทำมานี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนมาช่วยผู้อื่นช่วยผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวิยนว่ายตายเกิดหลีกต่อไปเบื้องต้นเราทำประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนเมื่อเราทาสาเร็จแล้วเรารู้วิธีแล้วเราก็ไปเผยแผ่สั่งสอน ให้กับผู้ที่สนใจเท่านั้นผู้ที่ไม่สนใจก็อย่าไปเสียเวลาถ้าเขาไม่สนใจถ้าเขาไม่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเขายังอยากอยากจะเสพกามอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะหาราภยศเสริญสุขอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามความอยากของเขาแต่ถ้าเขาเบื่อเขาอยากจะหลุดพ้นเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้พ้นเขามาขอคําปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะให้คําตอบขอเขาได้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 เอจิตังปะทิตังตุหังคิดว่เมวะสเนจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะาัสโยยัตถะมะณิโตติอะระโสยัถะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตายุสุขิติคายุโกภวะ อาพิวาทานัสิลิตะนิจังุทาปจายโนจตารุธรรมาวทนเตอิอายุวันสุขังพารังช่วงตอบไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใจกระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามชมทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมมาหน้ากูด จากทางเฟซ Book พระอาจารย์สุชาติ488ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v ์322 YouTube d o v ตอร์วีช90วิทยูออนไลน์9 c l ับ h ฮ u s e 12นากุด173รวมทั้งหมด1 9 4ท่านค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังนาะกุดค่ะ อยากเป็นคนที่ควบคุมความโกรธได้ต้องทำอย่างไรบ้างคะเคยพยายามพูดโทเวลาโมโหแต่บางครั้งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องพยายามฝึกสติไปให้มากๆกสติเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์นะถ้ามีรถยนต์เวลาขับรถยนต์ต้องการจะหยุดก็ต้องใช้เบรกถึงจะหยุดได้ใจก็เหมือนกันใจก็ต้องมีเบรกเวลาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีเบรกเลยก็จะหยุดยาก แล้ววิธีหนึ่งเอกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เบรกได้ง่ายคือไม่ให้ความโกรธเกรดขึ้นก็คือเราอย่าไปหวังอะไรจากใครนะอย่าไปต้องการอะไรจากใครความอยากความต้องการของเราเนี่ยมันจะทําให้เราโกรธเวลาที่เราไม่ได้ดังใจอยากนะเราพยายามฝึกหัดทำใจให้ยินดีตามมีตามเกิดใครจะทําอะไรก็ยินดีจะด่าเราก็ยินดีจะชมเราก็ยินดี จะทำตามที่เราบอกก็ยินดีไม่ทำตามที่เราบอกก็ยินดีอย่าไปอยากให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้ความไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราจะโกรธอย่าพยายามเผชิญมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถที่จะไปสั่งดินฟ้าอากาศให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆก็เหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งเขาไม่ได้ เขาอยากจะดีก็ดีเขาอยากจะไม่ดีเขาก็ไม่ดีขึ้นเะยงั้นถ้าเราลดความอยากความหวังจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆได้ความโกรธก็จะมีน้อยคํำถามจากผู้รับฟังหน้ากูดค่ะน้องที่ทํางานฝากถามว่าเวลาใส่บาตร ท, ทาไมต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพระคะ อ, อ๋อมันเป็นธรรมเนียมเดิมมาแต่โบราณสมัยโบราณ น, นี่ คนที่รวยเขาจะมีเงินซื้อรองเท้าคนจนนี่จะไม่มีเงินซื้อรองเท้าพระก็เป็นนักบวชก็ถือว่าเป็นคนจนพระก็จะไม่ใส่รองเท้าไม่มีรองเท้าใส่ดงั้นแล้วก็การที่เราไปใส่รองเท้ากับกับเวลาที่เราใส่บาตรให้กับพระนี่เหมือนกับเราถือตัวว่าเรารวยกับาพระดีกว่าพระสูงกว่าพระ เราใส่รองเท้าไม่ให้ความเคารพเราอยากให้ความเคารพนี้เราต้องไม่ถอดไม่ต้องไม่ใส่รองเท้าและไม่ยืนบนรองเท้าลงคนถอดรองเท้าแล้วก็ยืนบนรองเท้าอยู่กนะ็<ฮ>ออยังเหมือนกับใส่รองเท้าอยู่คือไม่ไม่ให้อยู่ที่สูงกว่าพระพูดง่ายๆเวลาใส่บาทพระต้องดูว่าท่านอยู่ที่ตรงไหนเราไม่ควรที่จะยืนที่ที่สูงกว่าท่านเพราะเป็นการไม่ให้ความเคารพ ทานให้ความเคารพนี้เราเป็นผู้ผู้น้อยกว่าผู้ต่ำกว่าเราต้องอยู่ในที่ต่ำกว่าก็เลยมีธรรมเนียมมาตั้งแต่โบราณมาการทำบุญนี้ไม่ได้ให้ขอทานเป็นการทำบุญนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและการที่จะทำให้ได้บุญได้กุศลครบร้อยนี่จะต้องสร้างด้วยความเคารพถ้าเรามีความเคารพต่อพระผู้ทรงศี ท่านมีศีลมากกว่าเราท่านสูงกว่าเราในฐานะทางด้านจิตใจท่านมีศีล227ข้อเรายัางมีศีลไม่ถึง5ข้อแล้วเราจะไปทำตัวเราสูงกว่าท่านได้อย่างไรเราก็เลยต้องแสดงความเคารพด้วยการลดตัวเราลงให้อยู่ที่ต่ำกว่าค่ะคำถามจากผู้เราฟังนะกกุศค่ะ สิตั้งใจว่าจะถือศีลห้าตลอดชีวิตค่ะและคิดว่าบางช่วงจะฝึกถือศีลแปดที่บ้านมีคำถามสามข้อค่ะข้อที่ 1, หนึ่งเนื่องจากที่นอนสูงเกินสองนิ้วจำเป็นต้องหาที่นอนใหม่หรือไม่เจ้าคะจะขอปฏิบัติแบบนอนที่สูงตามปกติแต่นอนเพียงวันละหกชั่วโมงเพื่อลดความสุขในการนอนแทนต้องเปลี่ยนที่นอนใหม่ได้ไหมเจ้าคะถ้ามันไม่หนาเกินไปก็คงจะพอพออนุโลมกันได้ แต่ถ้าอยากจะลองแบบร้อยเปอร์เซนก็ไม่ต้องมีอะไรลองนอนกับพื้นปูเพื่อปูผ้าหรูปูเสือ่อันเองแต่ถ้าบางทีเพื่อสุขภาพบางทีพื้นมันเย็นแล้วนอนแล้ว จ, จะทำให้ไม่สบายได้ก็ อ, อาจจะต้องมีมีฟูกมากั้นไว้หน่อยกั้นความเย็นความอะไรเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าเราใช้มันเพื่ออะไร ถ้าใช้เพื่อให้เกิดความสุขมันก็ไม่ไม่ควรแต่ถ้าใช้เพื่อรักษาร่างกายป้องกันโครคภัยไข้เจ็บก็ก็พอสมควรพอจะทําได้ข้อที่สองค่ะหลังเที่ยงทานช็อกโกแลตได้แต่ห้ามเคี้ยวใช้ไหมเจ้าคะเออไม่ใช่อยู่ที่เคี้ยวแล้วไม่เคี้ยวหรอกอยู่ที่ว่าของที่เรารับประทานเข้าในปากนั้นเขาจัดว่าเป็นอยู่ในหมวดไหนถ้าเป็นอยู่ในหมวดอาหารถึงแม้จะไม่เคี้ยวก็กินไม่ได้ เช่นนมนี่ถือว่าเป็นหน่วนอาหารนมไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือนมถวเหลืองหรือนมเทียงนี่ถือว่าเป็นนมถือว่าเป็นอาหารเอามาเอามาใส่กาแฟไม่ได้เราดื่มดื่มกาแฟได้ใส่น้ําตาลได้แต่ืใส่นมไม่ได้เพราะนมนี่ถือว่าเป็นอาหาร ข้อที่สามสิทธิ์มองภาพถ่ายพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปแล้วท่านยิ้มให้หมายความว่าสิทธิ์ควรทำอย่างไรเจ้าคะพูดหมาเส้นดันงๆหน่อยคือมองภาพถ่ายพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปแล้วท่านยิ้มให้หมายความว่าสิทธิ์ควรทำอย่างไรเจ้าคะาพรเระคงจะเป็นบ้านค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางบ้านค่ะ ขอโอกาสกราบเรียนถามหลวงพ่อกรณีที่เราได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นคนนี้สำเร็จทำขั้นนั้นขั้นนี้เราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรว่าเขาพูดจากประสบการณ์จริงหรือจากสัญญาที่อ่านที่ฟังมาเพราะถ้าเขาพูดเป็นของจริงแล้วเราไม่เชื่อเท่ากับเราพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีคิดและเส้นทางของเขาค่ะการจะพิสูจน์คนอื่นได้เราต้องเป็นก่อน ถ้าเรายังเรียนไม่จบหมอเราไปคุยกับคนที่เขาว่าเขาจบหมอเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจบจริงหรือไม่แต่ถ้าเราจบหมอแล้วเรารู้ว่าวิชาที่ต้องเรียนจบหมอมีอะไรบ้างเราก็ถามก็ได้ว่าเขาเรียนหรือยงังอย่างนี้เราก็จะพิสูจน์ได้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่พูดจริงแต่เราต้องเป็นหมอก่อนถึงจะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแล้วต้องคุยกับเขาด้วยต้องสอบสัมภาษณ์กันถึงจะรู้ว่า เขาได้ผ่านสังโยช น, น์เหล่า น, น, นี้หรือยังได้ละสังโยชน์ข้อนั้นข้อนี้หรือยังถ้าเราได้ละแล้วเราจะเราจะรจะูร้แล้วรู้วิธีละว่าเป็นอย่างไงต้องทำอย่างไงถึงจะละได้คุยกันได้ <AM P 1> เวลาครูบาอาจารย์เท่านพบกันท่านอยากจะอยากจะรู้ภูมิจิตภูมิธรรมกันท่านก็จะคุยกันคุยเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องวิธีการปฏิบัติต่างๆว่าได้ทําทําจิตให้สงบทํำยังไงเวลาจิตสงบแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างอะไรทำนองนี้ อันนี้ต้องคนที่ต้องคนที่จะถามเขาตรวจสอบเขาต้องต้องต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นถ้าถ้าตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วนี่เวลาตอบผู้อื่นก็จะรู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไม่สามารถจะตรวจสอบก็ได้แต่เราฟังฟังว่าสิ่งที่เขาพูดนี้มันไม่มันไม่ขัดกับหลักธรรมคาสอนของพพุทธเจ้าเราก็ฟังหูไว้หูก่อนไม่ได้ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ก็แล้วกัน ถ้าลองเอาสิ่งที่เขาพูดมาลองปฏิบัติดูแต่ถ้าเขาพูดแต่ผลนี่เราก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติได้พอเขาได้เป็นอย่างนั้นเป็น อ, อย่างนี้เราก็ไม่รู้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่จะมาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็คือบอกวิธีที่จะทำให้ให้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะดีกว่าถ้าอยากจะเป็นพระโสดาบันต้องทาอย่างนี้นะถ้าอยากจะเป็นพระสกิาคาต้องทาอย่างนี้ เมื่อเขาพูดอย่างนี้เราก็จะได้เอาสิ่งที่เขาพูดนี่มาลองปฏิบัติดูแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ผลดีเราก็จะรู้ว่า เ, าเขาก็ได้บรรลุแล้วทำคันหนึ่งค่ะคำถามข้อที่สองท่านได้ตอบไปแล้วนะคะมีสามคำถามว่าให้ฟังหูวไหวหู คำถามข้อที่สามค่ะเคยได้ยินมาว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไม่พูดหรือบอกตรงๆว่าลูกศิษย์ได้ถึงทําขั้นนั้นขั้นนี้แต่จะมีวิธีการหรือคําพูดบางอย่างที่ลูกศิษย์ผู้นั้นรับทราบได้ว่านี่คือคํารับรองจากครูบาอาจารย์เผยให้ทราบว่าสิ่งที่ตนผ่านมานั้นเป็นทําขั้นไหนสิ่งที่หนูได้ยินได้ฟังมาถูกต้องไหมเจ้าคะก็ไม่แน่แล้วแต่ละองค์ท่านแล้วแต่วาระโอกาสแต่ แต่ละคนแต่ละครั้งนี่อาจจะไม่เหมือนกันบางทีท่านก็อาจจะพูดแบบหนึ่งต่อคนคนหนึ่งแล้วท่านอาจจะพูดอีกแบบหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปฟังไปแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์ไปคำถามจากผู้รับฟังทางบ้านค่ะวิญญาณมีความฝันเหมือนมนุษย์ไหมครับเช่นฝันว่าไปที่ต่างๆ ก็ น, นั่นแหละเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลานอนนอนเรานอนหลับเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มได้เราก็เลยใช้บุญหรือบาปที่เราทําไว้มาเป็นตัวสร้างเรื่องขึ้นมาในใจสร้างความฝันขึ้นมาฝันถึงเรื่องราวต่างๆถ้าทํำบาปมันก็จะมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีให้เราได้ได้ได้ฝันถึงเรื่องฝันร้าย ถ้าฝันดีก็เป็นเรื่องของบุญเป็นผู้สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะศีนแปดหลังเที่ยงวันดื่มนมดื่มน้ำน้ำเผือกน้ำฟักทองถือว่าผิดศีลไหมคะถ้ามันเป็นอาหารก็ผิดศีลต้องวิเคราะห์ดูว่าเขาจัดอยู่ในหมวดไหนถ้าหมวดของอาหารก็กินไม่ได้ถ้าเป็นหมวดยาเรือเป็นหมวดที่พระเจ้าทรงอนุญาต เช่นถ้าเป็นน้ําผ ล, ลไม้เนี่ยดื่มได้แต่ต้องเป็นผ ล, ลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้น mm hmm. ถ้าใหญ่กว่ากำปั้นเอามาคั้นน้ํำดื่มไม่ได้ mm hmm. เช่นแตงโ ม, มสับปะรดมะละกออ mm hmm. ะไรพวกนี้เอามาคั้นเป็นน้ํำดื่มไม่ได้ mm hmm. ต้องเป็นน้ําที่จากผ ล, ลไม้ที่ไม่ใหญ่ mm hmm. เกินกำปั้น mm hmm. เช่นสมัยนี้ก็มีน้ําองุ่นน้ำแอปเปลิลน้ําอะไรน้ํำส้มอะไรต่างๆเหลนี้ แต่ต้องกรองไม่ให้มีเนื้อติดให้กินให้มีแต่น้ำล้วนๆต้องเอาผ้ามากองเอาพวกที่เป็นเนื้อเป็นอะไรออกไปค่ะคาถามจากทาง Facebook ค่ะสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่เราสามารถพิจารณาขันห้าควบคู่ไปกับการฝึกสติได้หรือไม่ครับหรือควรฝึกสติอย่างเดียวก่อนก็ได้ถ้าเราเป็นจริตที่ชอบคิดก็ใช้ขันห้าก็คือร่างกายในเบื้องต้น พิจารณาอาการ32ไปก่อนก็ได้ท่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยืดในกระดูกม้ามหัวใจตับไตพังผืยไปแทนที่จะใช้คําว่าพุโทโธพุทโธเราก็ใช้อาการสาบสองไปก็ได้หรือจะท่อว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโลกพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกพิจารณาขัน 5, ห้ารือพิจารณาร่างกายไปขอพระอาจารย์สุชาติโปรดชี้แนะแนวทางและความเห็นผิด ในกาในกายด้วยครับนี่อะไรนะคำถามจากทาง o youtube ค่ะให้ช่วยชี้แนะแนวทางและความเห็นผิดในกายด้วยค่ะในกายค่ะถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราก็ผิดนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ให้เรามาเราเป็นดวงวิญญาณเราไม่ใช่เป็นร่างกายางนั้นเราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับร่างกายไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกาย วราไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราทุกกับร่างกายแสดงว่าเราหลงผิดถ้าเราไม่ทุกก็แสดงว่าเราไม่หลงผิดค่ะคำถามจากทาง y o u ูทูปพระจันทร์สุชาติค่ะผู้ปฏิบัติจะทราบหรือไม่ว่าการปฏิบัติของการปฏิบัติของตนนั้นอยู่ในขั้นโสดาปฏิมาคแล้วตัวชื่ออาจจะไม่รู้ก็ได้นะ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษามาเราก็จะไม่รู้ว่าขัานนี้มีชื่อว่าอย่างไรเหมือนกับถ้าเราขับรถไปบนท้องถนนแล้วเราไม่ได้เปิดแผนที่เราก็จะไม่รู้ถ้าไม่มีการเขียนป้ายบอกว่าตรงนี้ชื่อว่าอะไรแต่เรารู้ว่าเราถึงจุดนี้แล้วเรารู้แต่เราไม่รู้ว่าชื่อเป็นชื่ออะไรทั้งเองเช่นถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราก็ปล่อยได้ถ้าเราไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วเราไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายแล้วเราก็ปล่อยได้ อันนี้ก็เป็นขั้นของพระโสดาบันแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านคัมภีร์ไม่ได้ศึกษามาไม่ได้ยินได้ฟังว่าพระโสดาบันนี้ละอะไรได้บ้างเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นโสดาบันก็ได้แต่เรารู้ว่าเราไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ และถ้าในขั้นโสดาปฏิมาคยังไม่ถึงโสดาปฏิผลยังถือเป็นปุถุชนที่อาจเสื่อมได้หรือไม่และสามารถหลีกเลี้ยงอบายภูมิได้หรือไม่ครับก็ยังไม่เป็นยังเป็นเหมือนนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบปริญญาก็ต้องเรียนให้จบถ้าได้ปริญญาแล้วก็ทีนี้เขาจะยึดปริญญาไปไม่ได้แนละ้วแต่ถ้ายังไม่ได้ปริญญาก็จะไปอ้างว่าได้รับปริญญาก็ไม่ได้แล้วถ้าหยุดเรียนก็จะไม่ได้ปริญญา ต้องเรียนให้จบหลักสูตรที่เขากําหนดไว้การเจริญมรรคก็เป็นการเรียนเรียนหลักสูตรของพระโสดาบันพอเรียนจบหลักสูตรของพระโสดาบันแล้วเขาก็จะให้ปริญญาของพระโสดาบันมาพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้ก็ไม่เสื่อมแนละ้วแต่ถ้ายังเป็นมรรคอยู่นี่ยังเสื่อมได้ยังเจริญแล้วเสื่อมได้อยู่ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะก่อนจะเสียชีวิตจะต้องมีทุกเวทนามากเราควรปฏิบัติเช่นไรให้ทุกเวทนาน้อยที่สุดหรือไม่ทุกขเวทนาเลยเจ้าคะออทุกขเวทนาเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะหนักหรือไม่หนักนี้เราไม่ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือฝึกอยู่กับมันได้โดยการฝึกตอนที่เรายังไม่ตายยังตอนที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เราก็นั่งสมาธิไปเวลาร่างกายเจ็บปวดส่วนไหนเราก็อยากพึ่งไปลุกลองใช้สติใช้ปัญญาทำใจให้สงบถ้าใจสงบได้ใจก็จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้พอเรารู้ว่าเราสามารถอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้แล้วเวลาที่เราจะตายเวลาที่มันเจ็บปวดมากๆเราก็จะผ่านได้เราก็จะไม่กลัวความเจ็บ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะการที่ไม่มีคู่ครองหรือคู่ครองไม่ดีเกิดจากทําบาบยังไงมาครับแล้วคนที่ได้คู่ครองดีเกิดจากบุญใดมาครับก็จะเป็นเป็นกรรมดีของเรามั้งถ้าเราเคยทําบุญที่ดีเราก็มักจะได้คนดีมาอยู่กับเราถ้าเราทําบาบเราก็จะมักจะได้คนบาบมาอยู่กับเราเหมือนกับน้ํามันกับน้นํานี่มันจะไม่อยู่ร่วมกัน น้ำก็จะไปอยู่กับน้ำน้ำมันก็จะไปอยู่กับน้ำมันคนดีก็มักจะไปอยู่กับคนดีคนไม่ดีก็มักจะไปอยู่กับคนไม่ดีเห็นถ้าเราคได้คนไม่ดีมาก็แสดงว่าตัวเราเองก็คงจะไม่ดีด้วยถ้าเราได้คนดีมาก็แสดงว่าตัวเราั้นเป็นคนดีเพราะคนดีเ็ามักจะชอบคนดีคนบาปมักจะชอบคนทำบาปคนชอบกินเหล้าก็ไม่อยากจะอยู่กับคนที่ชอบกินเหล้าไม่อยากจะอยู่กับคนที่ไม่กินเหล้า คนที่ชอบเล่นการพนันก็อยากจะอยู่กับคนที่ชอบเล่นการพ น, นันมันจะได้ไปด้วยกันได้ทำ <laughs> ไมหมอถึงอยู่กับลูกทำไมหมอชอบอยู่กับพยาบาล <laughs> คำถามจากผู้รับฟังน้ากุดค่ะ การรักษาสีนแบดสามารถใช้โลชั่นทาผิวได้ไหมคะจะผิดเรื่องการใช้ของหอมหรือไม่เป็นครีมกันแดดนะคะถ้าเป็นการรักษาป้องกันร่างกายไดย้แต่ถ้าเป็นการเสริมความสุขความสวยความงามนี้ไม่ได้ถ้าร่างกายมันผิวแตกต้องใช้ยาทาการผิวแตกนี่ใช้ทาหนะ้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางผิวหนังขึ้นมาใช้ได้แต่ถ้าไม่มีเหตุ โรคภายใข้เจ็บเราใช้ไปอยากจะให้มันสวยให้มันงามอย่างนี้เป็นเป็นกิเลสเป็นความอยากให้รูปเสียงกลิ่นเราคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเมื่อเรารู้ว่าวิบากกรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงทําบุญอย่างไรให้พ้นจากวิบากที่ไม่ดีและเติมบุญอย่างไรให้พอเพียงเพื่อไม่ให้ประมาทในการดํารงชีวิตเจ้าคะก็ต้องทําบุญขั้นสูงสุดก็คือ ไปภาวนาไปชำระใจให้สะาาอาดโดยสุดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่าถ้าตราบใดเรายังกลับมาเกิดอยู่เราก็ยังจะต้องในการทําบุญทําบาปอยู่ไปเรื่อยๆคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าอยากเข้าถึงโสดาบานันเราควรต้องปฏิบัติตรงไหนเพิ่มเติมนอกจากการทําทานรักษาศีลและนั่งสมาธิคะ เราก็ต้องฝึกสมาธิให้ชานาญให้จิตนิ่งเฉยเฉยวางเฉยได้วางเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ถ้ายังวางเฉยไม่ได้ก็จะวางเฉยกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้นั้นต้องฝึกสมาธิจนถึงขั้นที่เราเฉยเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาร่างกายเจ็บก็เฉยได้เวลาร่างกายจะตายก็เฉยได้ถ้าสมาธิยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะดิ้นมันจะทุกข์ มันจะไม่ยอมมันจะไม่ยอมเจ็บจะไม่ยอมตายแต่ถ้ามีอุเบกขา ม, มากๆทําให้ใจเฉยๆได้เวลาเจ็บก็ยอมเจ็บเวลาตายก็ยอมตายท่านนี้ยังไม่มีคําถามค่ะหมดแล้วเหรโอเ ค, คมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถามได้ในตอนนี้นะถ้าเลิกแล้วห้ามถามนะเพราะไม่สะดวกนะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา